จเจริญพรญาติโยมทั้งหลายจะปีใหม่แล้วนะถึงเทศกาลส่งความสุขแล้วระวังเอาความสุขไปส่งไปหมดจริงๆความสุขหาไม่ยากแต่คนในโลกไม่มีความสุขเราเที่ยวสแสวงหาความสุขจากภายนอกนะความสุขจากข้างนอกต้องอาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่น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 เราหาที่พึ่งที่อาศัยจริงๆไม่ค่อยได้นะชีวิตเราไม่มีความสุขที่แท้จริงนะคนถ้าไม่มีที่พึ่งนะไม่มีความสุขพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้ขนาดพระพุทธเจ้าเองท่านยังมีที่พึ่งตอนที่ท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยท่านก็พิจารณาว่าท่านจะเอาใครเป็นที่พึ่งดีท่านมองไปทั่วโลกธาตุไม่เห็นว่าจะมีใครเป็นที่พึ่งได้เลย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 ลำบากไปอีกแบบหนึ่งแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเงินเดือนจะใช้อะนะรวมความแั้วมันหาความสุขจริงๆไม่ได้นะยังบุญบุญมากๆเลยใจมันชอบภาวนาชอบมาตั้งแต่เด็กเมื่อปีศนะูนย์สองายุเจ็ดขวบท่านพ่อยมพ่อนะตอนนนุพ่อก็เด็กๆแหละพาไปกราบครูบาอาจารย์ท่านพอหลีวัดอโสการาม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 หวังว่าวันหนึ่งนัมันจะดีใจมันลึกๆมันรู้สึกอย่างเนี้ว่าหัดไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันจะดีนี่เราเด็กเกินไปนะไปเรียนกับท่านได้ไม่กี่ครั้งหรสองสามครั้งเองท่านก็สิ้นไปแล้วะอยู่ได้สองปีมั้งท่านสิ้นไปเราไม่มีครูบาอาจารย์จะสอนต่อแล้วนะไม่สามารถจะขึ้นมีปัสนาไดนะ้ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงแต่ทุกวันก็ทําแต่สมาธิทําสมถะเรืยหายใจไปรู้สึกไปหายใจไปรู้สึกไปนะ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 เช่นเห็นสาวสวยนะทั้งๆ ท, ท, ที่เรามีเมียอยู่แล้วเราก็ยังอยากได้อีกเนเรามีสามีอยู่เราก็อยากได้อีกนี่ความโลภมันเกิดเห็ น, น <ะ S 1> ของของคนอื่นเขานะอยากได้ได้โดยสุจริตเี่าไม่ไหวเราไปได้โดยไม่สุจริตนี่ก็ผิดศีลความโกรธเกิดขึ้นมานะมันครอบงำจิตได้นะนก็ทำผิดศีลได้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 ศีลข้อหถึงข้อ4นี่แหละตัวเด่นที่สุดข้อ5เป็นตัวสนับสนุนนะถ้ากินเหล้าเมายาอะไรนี้ขาดสติง่ายเนี่ยศีลข้ออื่นก็ผิดง่ายเนะี่ยศีลจริงๆนะข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ีนี่อย่าให้ผิดได้เชียวนะข้อ5เลี่ยงได้ก็เลี่ยงซะนะไม่ควรทําก็ทําแล้วขาดสติถ้าขาดสติสักอย่างเดียวนะก็ทําเรื่องเร็วๆอย่างอื่นได้ง่ายนะเรามีศีลเพื่อให้วิถีชีวิตของเราเนี่ย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 ใจเราไม่สงบได้เพราะกิเลสระดับกลางนี่แหละมายุ่วะนะพอใจเราไม่สงบใจเราฟุ้งซ่านกิเลสกลางๆลามายุ่วเต็มที่แล้วนัะใจเราไม่ตั้งมั่นแลกิเลสมันค่อยแรงขึ้นแรงขึ้นมันก็ไปทําผิดศีลได้นะตัวสมาธิเนี่ยมันจะคอยควบคุมจิตใจของเราให้เป็นระเบียบตัวสมาธิเนี่ยมันจะควบคุมจิตใจของเราให้เป็นระเบียบตัวศีลเนี่ยมันควบคุมกายวาจาให้เป็นระเบียบนะ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 กามาฉันทะนะั่นใจไมัค่อยคิดผูกพันในกามตัวพยาบาทไม่มั้ยใจมัไปคิดพยาบาทตัวฟุ้งซ่านใจก็คิดนะตัวหดหูใจก็คิดแล้คิดแล้วหดหูนะตัวลังเลสงสัยก็เกิดจาคิดอีกนะงั้นถ้าเรามีสมาธินะัใจเขาหลุดออกจากโลกของความคิดจิตเขตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเนะี่ยมันจะส่งทอดไปสู่การเจริญปัญญาหลายคนทําสมาธิแล้วไม่มีตัวรู้ขึ้นมานะ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 ก็มาเจริญปัญญาต่อบางทีส่วนมากพอจิตใจสงบแล้วไม่เดินปัญญานะหลวงพ่อเองแหละเป็นเสียเวลาอยู่22ปีเพราะไม่รู้วิธีการนะไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีจิตใจมันก็สงบแล้วก็สบายอยู่งั้นนะวันหลังฟุ้งซ่านอีกก็มาทำความสงบอีกทุกวันทำแต่ความสงบนะสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านวนเวียนอยู่แค่เนี้ย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 นี่พวกปัญญากลา้าตบเขาได้จิตว่างเนะนี่ยจิตมีกิเลสไม่เห็นนะปิดศีลแล้วไม้มละเลยสิ่งเหล่านี้นะละเลยไม่ได้นะศีลก็ละเลยไม่ได้สมาธิก็ละเลยไม่ได้ถ้าละเลยแล้วอย่ามาพูดเรื่องเจริญปัญญาเลยปัญญาของเราจะกลายเป็นเครื่องมือสนองกิเลสไป็นหมดเลยนะอยากจะทำอะไรก็ทำได้อยากเป็นชู้กับเขาก็ได้เพราะในโลกนี้ไม่มีคนไม่มีสัตว์เพราะงั้นไม่มีใครเป็นชู้กับใครไหมสอนอย่างนี้ได้นะ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 ยังอร็ศอร่อยนะรู้สึกกายรู้สึกจิตเนี่ยนำความสุขมาให้ยังอร็ศอร่อยกับสิ่งเหล่านี้อยู่นะั้นมันมีสองขั้นนะขั้นต้นจเจริญตัญญาเนี่ยเพื่อล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราขั้นปลายจเจริญปัญญาเนี่ยเพื่อทำลายความยึดถือนะในสิ่งซึ่งเคยเห็นผิดว่าเป็นตัวเรานะวิธีที่จะเจริญตัญญาเนี่ยขั้นแรกเลยเราต้องหัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วน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 การเจริญปัญญาของเราเนี่ยใช้วิพัชนวิธีจับแยกเหมือนอย่างเราเห็นว่ามีรถยนต์หนึ่งคันรถยนต์มีจริงๆเนี่เราเห็นอย่างนี้นะอันนี้ถือว่าเป็นความเห็นผิดมันมีจริงมันมีโดยสมมุติแต่มันไม่ใช่ของแท้รถยนต์เป็นสิ่งที่ประกอบมาจากอะไรชิ้นเล็กชิ้นน้อยจํานวนมากนี่ถ้าเราอยากเห็นความจริงนะเราลองดูซิอะไรเป็นรถยนต์นะ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 กุศลกุศลทั้งหลายเช่นความโลภ ค, ความโกรด ค, ความหลงนะถ้ามันแยกออกไปจิตเป็นคนรู้คนดูจิตอยู่ต่างหากขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่ากุศลและอกุศลทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเรานี่ตัวรู้ล่ะตัวรู้เองก็ไม่เที่ยงนะตัวรู้เองก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้ เ, เดี๋ยวก็เป็นตัวชิดเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี <ๆ S 2> <shield. S 1> ๋ยวก็เผลอไปเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี <ส Buzz. S 2> ๋ยวเป็นตัวเพ่งนะนั้นตัวรู้เองก็เกิดดับเหมือนกันไม่ได้คงที่นี่เราเฝ้าดูลงไปนะร่างกายเวทนา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 ถึงวันหนึ่งจิตมันปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้มันเห็ น, นทั้งกายทั้งใจมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะมันปล่อยมันไม่ยึดถือแล้วนะี่มันจะมีความสุขที่สุดเลยมีอิสรภาพนะจิตหลุดพ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจยึดถือรูปหรือยึดถือนามนะเรียกว่าเข้าถึงวิมุตต์ความหลุดพ้นนะจิตใจจะเห็นนิพพานนิพพานมีอยู่แล้วนิพพานมีอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่จิตที่หลงอยู่กับความปลูกแต่งไม่เคยเห็น นิพพานมีอยู่ต่อหน้าเรานี่นะเราไม่เห็นเอง่ ะ, ะเมื่อปี26หนะหลวงพูดูลยังไม่สิ้นตอนนั้นใกล้จะสิ้นลวหลวงพ่อเคยถามท่านว่าถ้าท่านสิ้นแล้วมีองค์ไหนจะสอนต่อจากท่านจะให้หลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์องค์ไหนต่อท่านบอกให้ไปเรียนกับหลวงพ่อกิมหลวงพ่อกิมรรมทีโปนะเป็นลูกศิษย์หลวงปุ่ดูล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 เมื่อวันจันทรหลวงพ่อไปเทศที่สระบุรนะีมีคนที่อยู่ทางโน้นนะบางคนไม่เคยมาฟังที่นี่นะไม่เคยเจอหลวงพ่อด้ฟังแต่ซีดีนะเขาฟังได้ได้ยินว่าให้หัดรู้สภาวะรู้สภาวะเขาก็หัดดูสภาวะไปนะอะไรเกิดขึ้นในใจค่อยรู้เรื่อยๆนะคอยรู้ไปโบลบโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหูสุขทุกข์อะไรเงี้ยดีใจเสียใจยินดียินร้ายอะไรๆเกิดขึ้นในจิตในใจเขาคอยดูเรื่อยๆ แล้วกดจิตของเขาตื่นขึ้นมาจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาอันนี้เขาได้สมาธิแล้วนะได้สมาธิแล้วทัศน์าานั้นคือขั้นเจริญปัญญานเราหัดดูสภาวะบ่อยๆต่อไปเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในจิตของเราแม้แต่นิดเดียวสติจ ะ, ะระลึกได้เองเราต้องฝึกจนสติเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติถึงจะเรียกว่าใช้ได้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 อ๋อจิตหลงไปคิดหน้าตาเป็นอย่างนี้เองมาพุทโธพุทโธอีกหลงไปคิดท่านี้ไม่ทันรู้ทนันหลงไปคิดเรื่องนี้เราเกิดความโลภมีสติเราไปรู้ทนันอีกหรือโอ้นี่โลภเกิดขึ้นแล้วนี่จิตจําสภาวะของความโลภได้ตอบไปความโลภเกิดนะสติก็เกิดเองบางทีหลงไปคิดแล้วก็รู้ไม่ทนันนความโกรธเกิดขึ้นแลเกิดรู้ทันว่าจิตกําลังโกรธอยู่อ๋อความโกรธหน้าตาเป็นอย่างนี้เองนะจิตจําสภาวะของความโกรธได้แม่น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 ศีลด่างพลอยง่ายที่สุดเลยถ้าเรารู้สึกไม่มีโทษเท่าไหร่พูดได้สนุกดีแต่พอต่อไปเราสติเราเร็วนะเราเห็นจิตอยากพูดเพ้อเจ้อเราเห็นละความอยากนั้นดับไปนะเราก็ไม่พูดเพ้อเจ้อแล้วนี่เป็นตัวอย่างนะความโกรธเกิดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันความโกรธคล่อบงําจิตไม่ได้เราก็ไม่ด่าใครไม่ตีใครไม่ไม่ไป ส, ส่อเสียดใครไม่ทําร้ายใครไม่ฆ่าใครเห็นไหมเราคอยรู้ทันนะมีสตินี่แะสติรักษาจิตให้มีศีลขึ้นมานะ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 เมจิตไม่ถูกกิเลสลากเข้าไปไม่ถูกนิวรณ์ลากเข้าไปจิตก็สงบสิจิตก็ตั้งมั่นเห็นไหมดูจิตแล้วมีสมาธิขึ้นมาเมื่อปีสอหนะป ล, ปลายปลายปีหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลเป็นครั้งที่สนะครั้งที่สามแครั้งที่หนึ่งเนี่ยไปช่วงเดนมาร์กนะช่วงมาคาบูชาใกล้ๆมาคาบูชาครั้งที่สองไปช่วงใกล้ๆวิสาขะนะแล้วครั้งที่สเนี่ยหลังจะออกพรรษาแล้วไปนะได้ส่งกันบ้านท่าน ไปส่งรายงานท่านว่าดูจิตแล้วอย่างงี้ท่านก็บอกว่าจิตตรงนี้เข้าสมาธนะิจิตเป็นสมาธิแต่นั้นหลวงพ่อเขาไปบอกท่านนะว่าหลวงปู่ผมไม่ได้นั่งสมาธินะผมดูจิตอยู่เฉยๆทําไมหลวงปู่ว่าเข้าสมาธิเราลูกศิษย์ชั้นดีนะครูบาอาจารย์บอกอะไรเรายังสงสัยเรายังไ ม, ไม่เชื่อทีเดียวเราฟังแต่ไม่เชื่อชาวพุทธต้องหัดนิสัยใหม่นะทุกวันนี้เราเน้นเรื่องเชื่อฟัง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 ท่านว่าอย่างนี้เราก็ฟังไม่เถียงนะไม่ใช่เถียงไม่จริงหรอกครับเนี่ยยังไม่ได้พิสูจน์เลยแล้วดันไปบอกว่าไม่จริงโง่อย่างนั้นโง่นะก่อนจะบอกว่าจริงหรือไม่จริงนะต้องพิสูจน์ก่อนอย่างทุกวันนี้ข่าวลือเยอะนะชอบลือว่าคนนั้นเป็นพระอรหรันต์เนี่ยคนนี้อรหรันต์หลวงพ่อประโมยก็อรหรันต์เนี่ยอันไปห็มาเชื่อก็โง่แล้วนะถ้าเชื่อก็โง่แล้วถ้าไม่เชื่อแล้ว ก, ก็ไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกไอ้นี่ก็โง่อีกแบบหนึ่งเห็นไหมต้อง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 แต่ถ้าเราหาดมีสติรู้ทันจิตเรื่อยๆเราจะเห็นว่าจิตไม่เที่ยงหรอกจิตบางดวงมีความสุขจิตบางดวงมีความทุกข์จิตบางดวงเฉยๆจิตบางดวงเป็นกุศลจิตบางดวงเป็นมีกิเลสนะคนละดวงกันจิตที่เป็นกุศลก็อย่างหนึ่งจิตที่มีกิเลสก็อย่างหนึ่งจิตที่เป็นกุศลก็ยังมีหลายแบบเป็นกุศลเฉยๆเป็นกุศลธรรมดาหรือเป็นกุศลที่ประกอบด้วยสติปัญญา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 วันนี้เเท่านี้ก็พอมั้งยากไปไหมเห็นว่าไหนไหนก็จะสิ้นปีแล้วก็สอนอะไรให้มันยากซะหน่อยสอนง่ายเกินไปเดี๋ยวก็จะเสียใจกี่คนนะยี่สิบนะครับหลวงพ่อเคยบอกให้ผมเนี่ยเคลื่อนไหวกระดกกระดิกนะครับผมก็ไปทําตามในระหว่างทําตามก็มีความรู้สึกว่าเกิดสติได้มากขึ้นเห็นการไหลของจิตได้มากขึ้นครับ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 ขณะทนนี้กดอยู่นะ<ฎ>ประคองอยู่นะนี่อยู่ในกลุ่มของการบังคับตัวเองอยู่ในกลุ่มของอัตตกิลมฐานุโยคนะอยู่ในกลุ่มของการเพ่งครับสังเกตไหมจิตขณะนี้มันนิ่งกว่าความเป็นจริงเพราะถูกเรากดเอาไว้อันนี้แหละคือการเพ่งไว้ประคองไว้นะเพรา ะ, ราะว่าเราตื่นเต้นเราก็เลยเพ่งครับนะไปฝึกนะที่ฝึกอยู่ดีครับไปสังเกตอย่างหนึ่งจิตถึงฐานหรือไม่ถึงฐานดูตัวนี้ให้ดี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 ดูที่กายไปสักพักหนึ่งพอมีเรี่ยวมีแรงมันย้อนเข้ามาจะไม่เห็นจิตได้อีกนะครับดูออกไ้มตอนนี้ยหดเข้ามาหน่อยหนึ่งแล้วแต่หดด้วยการดึงเข้ามาหรือเปล่าถ้าดึงเข้ามาใจจะแน่นมากขึ้นเนี่ยสังเกตนะเราจะได้ช่วยตัวเองได้อต่อไปคขอบคุณครับนวัสการหลวงพ่อครับคือฟังซีดีหลวงพ่อแล้วไม่เคยมา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 ไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อก็ไม่เชื่อนั่นต้องอย่างนั้นก็ไม่ไม่ทราบว่าถ้าถ้าผมทำแบบนี้ต่อไปจะจะหลงไปอบายอีกหรือเปล่าหรือว่าจะสามารถอยู่ในแนวทางนี้ได้ถ้ า, ถา<ม>ทำสม่าเสมอมันก็อยู่ในแนวทางนะถ้าทอดทิ้งมันก็เสื่อมได้อีกเพราะอันนี้ยังเป็นโล ก, กิยะยังไม่ขึ้นโล ก, กุตตะ ร, รยังไปอบายได้อีกถ้าเราประมาทแต่ถ้าเราไม่ประมาทนะเรามีสติ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 ปล่อยครับผมจะปล่อยเขาตั้งขึ้นมาเองครับต้องปล่อยนะของคุณยังมีจุดอ่อนนิดนึงปล่อยเยอะไปอ๋อครับนะเพราะงั้นใจมันจะเลื่อนลอยมากไปหน่อยมันจะสบายสบายลอยลอยไปนะงั้นเราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตไ้บ้างหาเครื่องอยู่ให้จิตสักอย่างหนึ่งลองไปดูว่าจะรู้อะไรแล้วสติเกิดบ่อยเอาวันนั้น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 จากนั้นก็เห็นเห็นเห็นความเป็นตัวตนเราอะ่ะหลุดหลุดออกไปลลแล้วก็แล้วก็คือตัวตนแยกต่างหากและอีกอันหนึ่งอะไรก็ไม่ทราบ<อ>ก็ก็มองเห็นอยู่ชั ด, ลดแล้วเราก็ตกใจคิดว่าเกิดอะไรขึ้นก็พยายามวิ่งกลับไปหาตัวตนแล้วก็อ๋อ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 อย่าไปเกลียดมันอย่าพยายามดึงออกมามันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นฝึกอย่างนี้บ่อยๆอันนั้นคือการกระทําในรูปแบบใช่ไหมครับก็ทําบ้างแล้วก็มีสติอยู่ในชีวิตประจําวันตามปกติถ้าฝึกขยับอย่างหลวงพ่เทียนเนี่ยเราจะรู้ได้ทั้งกายทั้งใจนะเวลาเรามาอยู่กับโลกข้างนอกเราขาดสติพอร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยสติเกิดเองเลยหรือพอจิตเคลื่อนไหวสติก็เกิดได้ แล้วผมควรจะต้องมาหาหลวงพ่อบ่อยๆไหมหรือว่าต้องมีต้องไปหาอาจารย์ท่านอื่นบ้างไหมครับหรือว่าฝึกแบบนี้อยู่บ้านก็สามารถก็ฝึกเอาหนะ้าฝึกฝึกประจำอย่างที่บ้านก็ได้นะหลวงพ่อไม่ค่อยแนะนำให้วิ่งไปที่โน้นที่นี่จะสับสนบนะถ้าพื้นฐานเรายัางไม่แน่นเราวิ่งไปสำนักโน่นสำนักนี้จะงงเพราะครูบาอาจารย์แต่ละองค์เนี่ยจะมีลวดลายในการสอนไม่เหมือนกันนะนะเดี๋ยวจะงง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 ฝั่งสุดทางเตียงคมเจอเป็นหน้าต่างตอนเช้าก็มีผ้าม่านปิดนะครับเดิเดินไปเหมือนกับเห็นลักษณะเหมือนเป็นภาพหน้าต่างเป็นสัดทอดจัดทอดนะครับไม่ทราบว่าเราเห็นรูปเห็นรูปแบบเป็นจักขั่วิญญาณจิตเกิดดับหร่ใช่เห็นจริงหรือว่าเป็นอุปทานเห็นจริงสิเห็นจริงสินะเรายังไม่เคยเห็นเราลึกไม่ออกอะอยู่ๆเห็นพวกออกมานั่นแหละของจริงัผมมแต่หลังจากนั้นถ้าอยากเห็นจะไม่เห็นอีกและครับผมเราจะบอกว่าคืออยากเห็นมันก็ไม่เห็นนะครับไม่เห็นหรอกความอยากมันเกิดสติไม่เกิด เจตนาขึ้นมาก็ไม่เห็นนะครับนั่นโลภะมันเกิดแล้วจะไปเห็นความความความอยากที่จะเห็นตามมาทีหลังนะครับอืแล้วก็อีกอีกครั้งนั่ก็คือเห็นแบบลักษณะเดินไปแล้วเกิดคันที่ขาแล้วก็เมือยไปเก่านะครับแล้วเงนื่อยหน้าขึ้นมามันไม่เหมือนอมันไม่จะเทาแล้วแต่มันจะเป็นกระพริบทีๆมากเลยนะครับได้อย่นั้นเราเห็นรูปมันเกิดดับอยู่ครับทําไปอย่างนี้ก็ใช้ได้ใช่ไหมได้ใช้ได้ไปทําอีกนะอ่ะคนตอบไปของคุณที่ส่งก่อนอะที่ใส่แว่น อย่าปล่อยจิตให้อ้อยส้อยอ้อยยิงอย่างนั้นนะไม่ดีถ้าฝึกอย่างนั้นจิตอ่อนแอนะย้ำเร้าความรู้สึกเพิ่มขึ้นนิดหน่อยอ่อนไปนมาส ก, การหลวงพ่อครับ อ, อ, อยากเรียนถามนิดหนึ่งครับว่าที่ว่าทําในรูปแบบแล้วก็วิหารธรรมแล้วก็ทาสมถะเนี่ยมีแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรหลวงพ่อใช้ภาษาหลายแบบนะจริงก็คือทาสมถะ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 เราไปพอไหลนะสติเกิดเองจิตสงบตั้งมั่นขึ้นมาเองจะรู้ตัวได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นสงบตั้งมั่นได้มากขึ้นมากขึ้นนั้นมันจะเจือกันระหว่างการทําสมถะกับการที่จะหัดดูสภาวะช่วงไหนจิตฟุ้งซ่านมากเราดูดูไปทําในรูปแบบเนี่ยจิตจะพริกเข้าหาความสงบช่วงไหนที่มันสงบพอแล้วมันก็จะมาดูสภาวะที่เกิดดับอยู่เป็นเรื่องเกี่ยวพันต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันน่ะนะต่อเนื่องกันมันช่วยกันอยู่ เรียนถามหลวงพ่อให้ย่างที่ว่ารู้สึกตัวอ ม, มีสติรู้รู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นสเต็ปโคลาโคราตอนกันใช่ไหมฮะคือเรามีถ้าเรามีสติรู้ทันนะพอรู้ทันแล้วใจมันก็ตื่นขึ้นมารู้สึกตัวตื่นมาที่ว่ารู้สึกตัวนี่มันเป็นอันเดียวกับความรู้สึกที่เหมือนกับตอนเรากําลังตื่นนอนหรือเปล่าฮะมันเป็นสภาวะแห่งความตื่นนะั่นแหละ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 ใจมันไม่ทวนกลับเข้ามาที่กายที่ใจนะไปสังเกตตัวนี้ดีกว่านะไปลองดูตัวนี้บ่อยๆตรงตรงนี้ยังยังสงสัยอยู่ให้ว่าเข้ามาดูกายดูใจยังไงเพราะว่าแค่รู้สึกเนี่ยอ้าปากเหรอเนี่ยเห็นร่างกายมันเคลื่อนไปนะถ้าพาว่านี้บางทีก็รู้สึกบางทีก็ตอนนี้เราต้องต้องจงใจนิดหน่อยในการคอยรู้สึกกายนะจงใจไว้นิดๆไม่จงใจแรงถ้าจงใจแรงจะเป็นเพ่งไม่ดี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 ถ้าดูเป็นนานจิตเหนื่อยจิตเห่ทยทำความสงบเข้ามาทําสมถะอะไรแต่ทําได้นะครับทำได้ถ้ามันเป็นไปเองก็ปล่อยมันไอเห็นแต่ไหวแว๊บๆบางทีบางทีมันเป็นอย่างนี้แล้วบางทีมันก็มารู้สึกตัวอีกปล่อยมันไปอย่างนั้นนะครับแต่อย่าให้ใจกระจายออกไปอะตอบไปครับเอาย่อๆหน่อยนะเดี๋ยวไม่จบยี่สิบคนเดี๋ยวหลวงพ่อไปขึ้นเรือบินไม่ทันรู้สึกว่าจิตมันไม่ค่อยมีกําลังอะค่ะพอลองนั่งสมาธิสวดมนต์ดูมันก็ กลายเป็นว่ามันเกิดโทสะขึ้นมาค่ะโทสะเพระอะไรเพราเราไปบีบบังคับมันจิตเหมือนเด็กนะไม่ชอบให้ใครบั<า>บงคับไม่อยากไปบังคับเราสวดมนต์สวดเล่นๆดิถ้าสวดมนต์นนเราไม่สบายใจเราไปทําอย่างอื่นที่มันสบายใจนะเช่นอ่านพระไตรปิฎกอ่านเรื่องของพระพุธทธเจ้าสมมติถ้าชอบอ่านนะ<า>อ่านๆไปแล้วใจมีความสุขขึ้นมาเมื่อไรใจมีความสุขในอารมณ์ที่เป็นกุศลนะจิตจะสงบตั้งมั่นขึ้นมาหลวงพ่อเมื่อก่อนทํางานหนักๆนะเครียดมากๆนะ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 เราอย่าปฏิเสธปัญหาถ้าเมื่อไร่เราปฏิเสธปัญหาเชน่นเราเกิดไม่สบายขึ้นมาแล้วเราไม่ชอบเลยเนี่ยเรายิ่งทุกข์มากขึ้นนะเรามีปัญหาตอนนี้ตกงานไม่อยากตกงานนี่ทุกข์มากขึ้นใช่ ไ, ไมเพราะนั้นปัญหาเนี่ยมันจะไม่เป็นทุกข์ก็ได้นะถ้าใจเราอยอมรับได้ ค, ค่ะกรรมมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะปกติก็ดูกายดูใจอะค่ะแล้วก็ มีสติดูในชีวิตประจำวันนะคะก็เมื่อสองาทิตย์ที่ผ่านมาประมาณนะคะกออ็ได้มีโอกาสไปเ็กตัวภาวนานะคะ่ะก็มันมีสภาวะหนึ่งอะคะ่ะอยากจะเรียนถามหลวงพ่อะคะ่ะก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยตื่นตื่นตื่นขึ้นมากลางดึกอะคะ่ะก็เห็นสภาพไหลๆอะคะ่ะแล้วก็ภาวะนั้นน่ะจิตมันเบาก็เห็นสภาวะนั้นไหลไปเรื่อยๆ พออีกสักครู่หนึ่งอะค่ะก็จะเห็นคิดคิดคิดคิดค่ะแล้วก็อีกพักหนึ่งจิตก็มองแล้วก็ดูอย่างนั้นไปเรื่อยๆดูดูอย่างนั้นก็ดีนะแต่ว่าจิตมันขาดความตั้งมั่นเวลาเห็นมันไหลๆเนี่ยจิตปล่อยไหลไปด้วยะนะอย่าให้จิตไหลาตามไปจิตของคุณมันอ่อนมันไม่ตั้งมั่ น, นเพราะฉะนั้นเวลาที่เห็นจิตไหลไปรู้ทันว่าจิตไหลนะเราอย่าไหลาตามนะเราดูไป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 อหัดฝ <ith> ึกไปด้วยรู้ทันจิตไปด้วย<ช> <ๆ S 2> ต่อไปจิตมันเข้าไปจับอะไรเราก็เห็นนะจิตมันปล่อยออกมาเราก็เห็นจะเห็นเองเนี่ยค่ะแล้วเมื่อเห็นตรงนั้นแล้วแล้วอันนั้นเนี่ยมันเกิดเป็นอกุศลขึ้นมาเออเราก็เห็นนะอกุศ ล, เ ก, ลกเกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตไปจับอารมณ์อย่างนี้เป็นอกุศลจิตไปจับอารมณ์ันนี้เป็นกุศลก็ได้เหมือนกันนะแล้วเมื่อเห็นกิเลสตรงนั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยอถ้าเรา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 ตอนเช้าหนูชื้อล้างหน้าอยู่หนูรู้สึกว่าเห็นภายในมีภายในมองเห็น ม, มือที่กําลังถูเปลือกภายนอกอยู่นั่นแหล ะ, ะนะจิตมันเป็นคนรู้นะเห็นเห็นร่างกายล้างหน้าอยู่เ อ, อปีนี้หลวงพ่อแนะนําไปทําอีกสิทธ์น ะ, ะรู้สึกกายบ่อยๆเพราะเราเป็นคนรักไกาเรารักสวยรักงามรักสุขรักสบายอะไรเนี้ยดู ก, กายไว้ดีะนะมันเหมาะกับจริตแล้ว สมาธิอ่อนไปไหมคะหลวงพ่อคะสมาธิต้องทําทุกวันแหละนะทำไหว้พระสวดมนต์อะไรอย่างน้อยก็ได้สมาธิแล้วะหายใจพุทโธไปอะไรอย่างนี้ก็ได้สมาธิแล้วนิวรณ์ยังครอบงำอยู่เลยค่ะหลวงพ่อครับครอบแน่นอนแหละธรรมดานี่นะครัขอบพระคุณธรรมดานะนิวรณ์ครอบเป็นเรื่องปกติแล้วก็มีสติรู้ทันเอาเดี๋ยววันหนึ่งนั่งก็พ้นเหมือนกาบนวัตการหลวงพ่อเนะเจ้าค่ะ เป็นคนนั่งสมาธิอะไรไม่เป็นนะเจ้าค่ะอก็สวดมนต์แล้วก็เดินจงกรมในในรูปแบบเคยเห็นกายทํางานได้เองอืเวลาเดินจงกรมก็จะเห็นรูปนี้เดินอแล้วในชีวิตประจําวันก็จะเห็นเหมือนเห็นตัวเองแว๊บว่ามันไม่ใช่เราบ่อยๆใช่นั่นแหละดีเคยเห็นการเกิดดับภายในอยู่ครั้งหนึ่งนะคะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นอะไรเข้าใจว่าก็คือสัมติงที่หลวงพ่อพูดเอ่อจะกรอบกาบขอความเมตตาหลวงพ่อเจ้าค่ะว่า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 ก่อนที่จะเป็นโสดาบัณเนี่ยผู้ดชนอย่างเรานี่อยู่ในสภาวะของโสดาปฏิมาคได้ใช่ไหมเจ้าคะโสดาปฏิมาคเกิดเนี่ยเกิดหนึ่งขณะจิตเท่านั้นนะ mm hmm. ไม่ใช่เกิดสองปี3ปีแล้วเป็นพระโสดาบัณฑ์นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่างที่เราปฏิบัติเจริญสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นและเป็นกลางที่ทํากันมาแลมเดือนแลมปีเนี่ยยังไม่ใช่ตัวมักแท้แ mm hmm. เป็นเบื้องต้นของมักเรียกว่าบุคพระพาคามักเบื้องต้นของมักนะ แต่ว่าเมื่อทําำเต็มที่แล้วเนี่ยอริยมรรคเกิดเวลาที่อริยมรรคเกิดเนี่ ย, ยกเกิดหนึ่งขณะถัดจากอริยมรรคเกิดนะอริยผลเกิดทันทนะีเพราะงั้นเวลาพระโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลเนี่ยแยกทางทฤษฎีเท่านะั้นะแยกในทางทฤษฎีในความเป็นจริงสมมติว่าตัดนี่แวบเดียวออกมาเนี่ยเป็นพระโสดาบันเต็มที่แล้วโสดาปฏิผลผ่านไปแล้วเนะจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าที่พวกเราทําอยู่นี่เรียกว่ามรรคเบื้องต้นบุพภาผ่ากับมรรค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 แต่ว่าอารมณ์มันยังค้างอยู่นะสัญญายังจําอยู่จําเรื่องนี้ได้อยู่มันกลับไปคิดอีกคิดอี ก, อกโกรธอีกนะแล้วเราก็มีสติรู้อีกครับนะคือคือคอยรู้ไปเรื่อยรู้ลงขณะเป็นขณะขณะไปนะรู้ลงปัจจุบันไปครับนะโกรธขึ้นมารู้โกรธรู้โกรธรู้โกรธรู้อย่างี้อืมครับคือแต่แต่แต่ผมจะไม่ค่อยคือจะไม่ค่อยรู้เป็นเป็นเราเหมือนจะเห็นมันต่อเนื่องไปเลยครับ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 Start ในจุดที่พอทําได้นะและ้วค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเพราะมันเห็นประโยชน์อย่างเนี้จะง่ายนะทำทุกวันนะในรูปแบบอย่างน้อย15นาที10นาทีอะไรเนี้ยทำ ก, ร, ก, ก ร, รับนมัตการค่ะหลวงพอ่อผมฟังซีดีหลวงพ่อประมาณ2เดือนนะครับแล้วก็เมื่อต้นเดือนไดส้สองเดือนหรือสองเดือนครับ2เดือนอสองเดือนทําได้ขนาดนี้แล้วก็ไปปฏิบัติในรูปแบบเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับผมมีคําถามขอเรียนถามหลวงพ่อสาข้อ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 เพราะเห็นทุกข์นั่นแหละถึงจะเห็นธรรมคุณไปฝึกต่อนะอย่าท้อถอยนะแต่ไม่รีบร้อนลุกเรียล <So lad. S 2> ุกลนนะครับผมกับนมัสการหลวงพ่อนะคะเพิ <those> ่งเคยเพิ่งเคยถามครั้งแรกเพิ่งมาครั้งแรกคือฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ฝึกปฏิบัติมาประมาณช่วงสองสมเดือนเนี่ยค่ะก็มีทําในรูปแบบอย่างเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างละครึ่งชั่วโมงแล้วก็ระหว่างวันก็พยายามรู้กายรู้ใจไปคราวนี้เนี่ย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 เพราะฉะนตัวกรรมฐานที่เหมาะกับคุณตอนเนี้คือการดูกายคุณจะดูกายได้ง่ายคุณดูไปเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เขา้าค่อยดูอย่างนี้เรื่อยๆนะต่อไปกายกับจิตก็จะแยกกันในตอนนี้มันก็เริ่มแยกรู้สึกไหมรู้สึกนะกายแต่เวลาเวลาดูกายเห็นจะแยกคะ่ะตัวอย่างนั้นน่ะดูกา ย, ย<ๆ>บ่อยๆต่อไปเนี่ยจิตขยับมันจะเห็นเองของคุณน่ยดูกายไว้ 60- 70% เจ็ดสิร์เลยนะแล้วจิตมันไหวมันจะเห็นเอง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 มันก็เลยรู้สึกเหมือนมืนไม่ใช่ความจริงมันเป็นแทรกด้วยความคิดตอลอดเร า, ย, า, ย, า ย, ยังบังคับตัวเองมากไปนิดนึงนะยังประคองจิตเอาไว้ประคองตัวผู้ดูไว้อย่าไปประคองไว้ถ้าปล่อยออกไปมันจะเห็นมันทํางานอุตรุษเลยแล้วโทสะจะแรงยิ่งกว่าเก่าอีกตอนนี้ค่ะคือโทสะเยอะแล้วก็ ม, มันมันจะมีอาการที่มันเป็นทางกายด้วยขึ้นมามมใช่ไหมคะแล้วเวลาที่มันมันทราบว่ามันอยากหายเนี่ยมันจะมีมันจะมี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 ถรถออกมาแล้วมันไปร้าานชาวบ้านเพราะเราถือต้องมีศีลเพราะเราจะไม่เก็บกดทางใจะอะต่อไปหมดยังนรัสักราร์หลวงพ่อค ร, ครับครับคือเวลาที่ความรูร้สึกโกรธมาครับก็ก็คือรู้นะครับแล้วก็นั่งนิ่งๆดูดูสภาวะมาอะไ ร, รอะไรโกลธนะเวลาที่ความรู้สึกโกรธมาครับโกรธ<ก>ครับ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 มองเขา เ, าเขาเป็นอย่างนี้นะเขาก็ดีอย่างนี้หรือมองคนอื่นด้วยความรักความสงสารมากขึ้นอะไรเงี้ยน ะ, นะพอใจเรามีเมตตามากขึ้นนะสมาธิจะเกิดของคุณจเจริญเมตตาไว้น ะ, นะไปทำํำอย่างอื่นไม่ลงง่ายหรอกอครับต่อไปกับนักมหัศรรการของพ่อครับคือเมื่อสุด10เดือนที่แล้วผมเริ่มดูกายผ่านมา5เดือนก็หลุดที่เคยติดเพ่งอยู่ ใจที่เคยมีความหดหู่เป็นพื้นเนี่ยก็หายไปแล้วดีแล้วก็แต่ตอนนี้คือเห็นกิเลสตัวเองเยอะมา ก, กจนตอนนี้คือรู้สึกละอายว่าตัวเองกิเลสเยอะเกินไปเป็นไหมเพรเรามีสตินะเราก็เกิดฮีริโอตปะเห็นไหมเราละอายต่อกิเลสเรากลัวผลของการทําบาปเมื่อมีฮีริโอตปะศีลจะเกิดขึ้นนะอัตโนมัติเลยงั้นการที่ควรฝึกเนี่ยที่หลวงพ่อพูดเมื่อตะกี้ตอนเช้าใช่ไหมมีสติแล้วมีศีล มีสติแล้วทำไมมีศีลได้มันเกิดทีรีโอตัปะขึ้นมานะดีฝึกไปอีกอนี้เหมือนเหมือนปัญญายังไม่ค่อยเดินนะเพราะว่านอกจากนี้ไม่รู้ไม่เห็นอะไรอีกแล้วนะ่าต้องคอยแยกไกานะขอาคุณดูร่างกายที่เคลื่อนไหวของคุณของเก่าที่ทํามาเนี่ยทําสมาธิมามากเมื่อทําสมาธิมามากเนี่ยไปดูจิตมันจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะนิ่งนิ่งว่างๆนั้นคุณดูกายเป็นหลักไว้เห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะ กลายเป็นของถูกรู้ถูกดูค่อยๆหัดแยกกายแยกใจไปเรื่อยการเดินปัญญาจะทําไม่ได้ถ้าไม่แยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจพนะอยแยกแปกร่างกายที่หายใจอยู่นี่ตัวหนึงใจเป็นแค่คนดูฝึกดูสบายๆนะตอนนี้แข็งไปดูให้สบายดูด้วยใจที่สบายเห็นร่างกายหายใจเป็นะใจเราสบายๆเป็นแค่คนดนะูไปลองตัวนี้ดูนะมีตรงอื่นที่ต้องที่บอกพรอมอีกไหมครับระวังเพ่งเท่านั้นแหละมันย่งพร้อมจะเพ่ง จงใจแรงไปขอบพระคุณครับกลาวนามสการพระอาจารย์เจ้าค่ะพอดีมีปัญหาสงสัยเรื่องว่าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วขณะที่เรานั่งสมาธินี้เรานั่งแบบเบาเบาสบายสบายแล้วมีตัวผู้รู้รู้อยู่เฉยเฉยในสภาวะธรรมที่ไหลไหล ผ, ผ่านเข้ามาเจ้าคะแล้วเรารู้มันเฉยเฉยแล้วบางทีบางครั้งก็จะเบาเคลิม้มคล้ายๆจะง่วงแต่มันไม่ใช่ง่วงอะคะ่ะไม่เป็นไรนะ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 รู้ตัวให้กระชับกระเฉงกว่านี้ให้แรงกว่านี้นิดหนึ่งแต่ไม่ใช่เพ่งแรงๆอนเครียดนะตอนนี้เบาเกินไปมันล่องลอยไปแล้วแล้วขณะที่โยมนั่งสมาธิที่มีสติแล้วมันเบาๆเคลิ้มหรืออะไรนี่ทําถูกก็ยังเจ้าค่ะเคลิ้มแต่เคลิ้มมีสติอะเจ้าคะโอ้เคลมมีสติได้นะแต่พอออกมาแล้วก็ต้องเลิกเคลิ้มนะเนี่ยมันติดไอ้เคลิมนั้นออกมาอยู่ข้างนอกนี่นะนึกออกไหมมันไปติดไอ้ความรู้สึกเคลิ้มๆมาอยู่ข้างนอกนี้ด้วยอย่าเาไว้นะทิ้งมันไป รู้สึกตัวให้ชัดๆขึ้นมาแต่แต่ ร, รู้สึกตัวต้องเข้มแข็งเจ้าค่นะแต่อีกเรื่องหนึ่งค่ะขณะที่ที่เราเราอยู่ในอิริยาบทสี่นี้เนี่ยเราเราจะเข้าใจในสภาวะธรรมที่มั น, ท, มนที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแล้วความทุกข์ทั้งหลายที่เข้ามาและสุดท้ายเรามีควาเก็ดไหมจิตถลำไปหมดละจิตไม่ตั้งมั่น <c oughs> หลือออกไหมตัวนี้เราคือปัญหาของคุณ น, น, นะะค รู้สึกไหมตอนที่เล่าๆๆ <c oughs> จิตไหลๆๆๆ <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> เราลืมตัวตัวนี้แหละคือปัญหาของคุณจำไหมนะคือ <c oughs> จิตไม่มีแรงที่จะตั้งมั่นอยู่ <c oughs> จิตมันไหลหเคลื่อนไปเรื่อย <c oughs> แบบนี้เราจะแก้ยังไงเจ้าคะรู้ทันมันไว <c oughs> ๆอยากจะตามใจมันของคุณนะพอใจที่จะไหลด้วย <c oughs> ไหลไปแล้วเออเอ็นจอยดีอะไรไม่ได้นะต้องรู้สึกตัวให้ชัดขึ้นมาอย่าให้ไหลไปอ่ะต่อไปทานมรสการค่ะ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 มันจะทราบได้ไงว่าอันนี้คือแยกอยู่หรือว่าไปประคองเอาไว้อะคะถ้าประคองไว้ใจจะแน่นสิแต่ถ้าแยกเองนะมันจะเห็นในเหมือนร่างกายเนี้ยอยู่ห่างๆเห็นร่างกายอยู่ห่างๆนะเห็นความสุขความทุกข์อยู่ห่างๆเห็นกิเลสอยู่ห่างๆเนี้ยใจก็เกิดดับไปเรื่อยออยากขอวิหารธรรมกับคําแนะนําเพิ่มเติมด้วยจิตไปเรื่ๆนะแล้วถ้าจะให้ดีกว่านั้นนะบริกรรมช่วยมันนิดหนึงไม่งั้นดูจิตอย่างเดียวแล้วล่องรอยไป แต่ถ้าบริกรรมไม่สะดวกบริกรรมแล้วอึดอัดก็ใช้อย่างอื่นนะฮะรมกรรมฐานมาสักอันหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ของจิตคือก็เคยลองหายใจดูค่ะแต่รู้สึกว่าพอเริ่มหายใจปุ๊บมันก็จะเริ่มไปบังคับะอะค่ะรู้ทันว่าบังคั บ, คบนะบแล้วก็รู้ด้วยความผ่อนคลายไปค่ะค่ะค่ะพักหนึอานต่อไปค่ะกลับน้มัสการหลวงพ่อค่ะก็ยมมาส่งการบ้านนะคะยังไม่เคยส่งครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ดูความรู้สึกอะค่ะ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 ให้อาจารย์ช่วย2เรื่องนะอาจารย์คื อ, อปฏิบัติแบบแบบที่ในวิธีของพระอาจารย์มาสองปีแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้อาจารย์มีข้อแนะนําอะไรให้กับผมยอย่างพัฒนาไหมอย่างเพ่งอยู่ไหมก็ไม่ไม่ค่อยเพ่งเท่าไหร่รู้จักเพ่งยังยังไม่แน่ใจฮะเวลาเราเพ่งนะคือเริ่มต้นต้องอยากอยา ก, อยากปฏิบัติอยากดนะูพอมีความอยากแล้วจิตจะกระโจนเข้าไปจับอารมณ์อันหนึ่งไว้แล้วก็ไปจ้องอยู่อย่างนั้น ใจก็จะนิ่งๆทื่อๆขึ้นมานมของคุณจะมีตัวนี้อยู่นะถ้ะใ<ห>าใครรู้ทันใจที่ไปเกาะอารมณ์นิ่งๆอยู่หมดยังหมดแล้วนะหมดแล้วเอาเท่า น, นี้ก็แล้วกันเดี๋ยวหลวงพ่อต้องไปเชียงใหม่มีงานเทศหลายแห่งเลยวันนี้ก็ญาติธรรมได้นำของเพระอปัจจัยมาถวายนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนพวกเรากราบคันถวายนะครับ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและทยธรรมกับสิ่งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระอาจารย์ปราโมทปราโมชโชว์ขอพระอาจารย์ได้โปรดครับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแต่ข้าพเจ้าและครอบครัว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 มาเตผวัตวันตราลอยสุขีตีคายุโกภาะอาภิวาธนาสีเลสนิจังุทาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพระลังก่อนหลวงพ่อจะมาคุยกับพวกเรานี้นะหลวงพ่อขอพบกรรมการศาลาลุงชินเนี่ยนะถามกรรมการว่าพออย่างมาเทศสมปีกว่ากรรมการบอกอยัง <laughs> งั้นปีหน้ายัางมีอีกนะ